อธิบายว่าอาศัยอยู่ที่กายนี้คูหาคือธรรมก็หมายถึงกายนี้จึงไม่มีผิดเป็นการที่แสดงรวมทั้งหมดและตามที่ได้แสดงมานี้แม้ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติโดยตรงแต่ว่าเมื่อรู้ถึงสมมติบัญญัติสับธรรมะในพุทธศาสนา ก็จะทำให้มีความเข้าใจเนี่ยทำให้ไม่สงสัยและตามที่กล่าวมานี่ก็พึงเข้าใจว่าในบุคคลทุกๆคนนี้มีสิ่งที่เป็นวัตถุที่มีสรีระรูปร่างสันฐาน คือรู ป, ปรกายกับมีสิ่งที่ไม่มีสรีระไม่มีรูปร่างสันฐานคือจิตประกอบกันอยู่พร้อมกับนามธรรมทั้งปวงที่เป็นอาการของจิตเพราะฉะนั้น จิตนี้จึงไม่ใช่มันสมองมันสมองเป็นรูปเป็นสรีระมีรูปร่างสันฐานแต่ว่าจิตนี้เป็นอสรีระไม่มีรูปร่างสันฐานดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้แต่ว่าเมื่อเป็นดังนี้ จะพิสูจน์ได้อย่างไรว่ามีจิตในข้อนี้ก็ต้องตอบว่าการพิสูจน์นั้นสำหรับสิ่งที่มีสรีระก็ต้องพิสูจน์กันตามหลักเกณฑ์ของสิ่งที่เป็นมีสรีระหรือวัตถุแต่ว่าสิ่งที่ไม่มีสรีระคือจิตและนามธรรมทั้งหลายก็ต้องพิสูจน์กัน โดยวิธีของสิ่งที่ไม่มีสรีระหรือนามธรรมด้วยกันและในบุคคลเรานี่สิ่งที่ไม่มีสรีระนี้มีอยู่เป็นอันมากที่พิสูจน์ด้วยวัตถุด้วยกันไม่ได้เป็นต้นว่า ปัญญาคือความรู้ความรู้ของบุคคลที่มีอยู่ที่เป็นปัญญามาตั้งแต่กำเนิดก็ดีที่เป็นปัญญาที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนได้ชั้นนั้นชั้นนี้กันมาก็ดี ไม่ใช่วัตถุจะเอามาชั่งตวงวัดตวงวัดกันด้วยเครื่องชั่งเครื่องตวงเครื่องวัดต่างๆว่าใครมีปัญญามากเท่าไหร่กี่ทนานกี่ถังเอาทนานเอาถังมาตักมาตวงกันเป็นต้นดังนี้ไม่ได้เพราะ ไม่มีรูปร่างที่จะปรากฏว่าใครมีปัญญามากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการพิสูจน์เท่าที่จะพึงทำได้เช่นวิธีสอบไล่หรือวิธีสอบต่างๆวัดความรู้ต่างๆก็ได้เท่านั้น แต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะทำให้รู้ได้ทั้งหมดดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่มีสรีระในบุคคลเรานี่ที่เป็นนามธรรมเนื่องกับจิตจังมีอยู่เป็นอันมาตธรรมะทั้งหลายก็เป็นนามธรรมเนื่องอยู่กับจิตทั้งนั้นวัดกันไม่ได้ตรงกันไม่ได้ว่าใครมีสติมีปัญญาอะไรเป็นต้นเท่าไหร่อิเลสก็เหมือนกัน ดฉะนั้นสิ่งที่ไม่มีสรีระอันนี้จึงมีอยู่ในทุกๆคนดฉะนั้นก็ต้องศึกษาและต้องกำหนดให้รู้และจะทำให้รับรองธรรมะอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าใดอีกเป็นอันมากต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและทาความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะ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 เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงพระพุทธเจ้าทรงสอนกรรมฐานตามเจโตขีลสูตรนำสติปัฏฐาน ในพระสูตรนี้แสดงว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนภิกษุทั้งหลายให้ละ กิเลสอันเป็นเหมือนอย่างตะปูที่ตอกตรึงจิตและกิเลสที่พกพันจิตโดยตรัสสอน ก่อนให้รู้จักว่ามีกิเลสอันเพียงอันเป็นเหมือนอย่างตะปูที่ตอกตรึงจิตยอยู่ห้าประการเรียกสั้น วัาเจโตขีละคือตะปูตอกใจอันได้แก่มีกังขาคือสงสัยในพระศาสดาสงสัยในพระธรรม สงสัยในพระสงฆ์สงสิกขาและมักโกรธขัดใจในสพภมจารี คือภูประพฤตริรมร่วมกันทั้งหลายสงสัยในพระศาสดานั้นก็คือสงสัยในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พระบรมศา ส, สดาว่าพระองค์ได้เป็นภูตรัสโรจริงหรือแม้ตามบทที่สวดกัน ว่าอิติปิโสภะวาอารหังสัมมาสัมพุโทโธพระภูมีปรภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ผูกไกลกิเลสเป็นภูตัสโรเองชอบแม้อย่างนี้แม้อย่างนี้ ดังนี้เป็นต้นทรงเป็นภูไกลกิเลสจริงหรือตรัสรู้เองชอบจริงหรือดังนี้เป็นต้นมีกังขาสงสัยในพระธรรมนั่น ก็คือสงสัยในพระธรรมที่ตรัสรู้ว่าทรงตรัสรู้อะไรความตรัสรู้นั้นเป็นความรู้จริง หรือว่ารู้ไม่จริงอย่างไรและธรรมะที่ทรงสั่งสอนเป็นจริงตามที่ทรงสั่งสอนหรืออย่างไร ในข้อนี้ก็ได้มีเรื่องเล่ามาแล้วในครั้งพุทธกาลถึงภิกษุภูมีความเห็นผิดบางรูปได้คัดค้านคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้า ว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนเอาไว้ว่าธรรมะข้อนี้ข้อนี้เป็นอกุศลธรรมซึ่งทาอันตรายให้แก่ผู้ที่ ปฏิบัติกระทำแต่ว่าข้อที่ทรงสั่งสอนเอาไว้ว่าทำอันตรายนั้นหาได้กระทาอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติกระทาไม่ เช่ทนทรงสั่งสอนแสดงโทษของกรรมต่างๆแต่ว่ากรรมต่างๆนั้นหาได้เป็นโทษดังที่ทรงสั่งสอนไว้ไม่มีกังขาคือความสงสัยในพระสงค์ ก็คือมีความสงสัยว่าโมแห่งสาวกคือสิทธิของพระพุทธเจ้านั้นเป็นภูปฏิบัติดีจริงหรือเป็นภูปฏิบัติตรงหรือดังนี้เป็นต้น คือเป็นชอบหรือสงสัยในสิกขานั้นก็คือสงสัยในข้อที่จะพึงศึกษาเล่าเรียน จะพึงศึกษาปฏิบัติเช่นในศีลในสมาธิในปัญญาว่าที่ปฏิบัติในศีลปฏิบัติในสมาธิปฏิบัติในปัญญาจะได้ผล สมจริงคือจะได้ผลดีจริงหรือไม่หรือว่าสงสัยว่าจะให้เกิดผลที่ไม่ดีแก่ผู้ปฏิบัติ คือสงสัยในข้อที่ตนเองกําลังปฏิบัติอยู่ในศีลในสมาธิในปัญญามักโกรธขัดใจในสพรมจารีคือภูประพฤต ธรรมะร่วมกันทั้งหลายก็คือมักจะเป็นภูที่มีใจน้อยโกรธง่ายหรือมักจะเพ่งโทษของภูที่อยู่ด้วยกัน เพราะว่าเมื่ออยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากก็อาจจะมีความประพฤติต่อกันที่กระทบกระทั่งไม่ถูกใจกัน เรื่องนั้นบางเรื่องนี้บางในบางครั้งบางคราวก็มักจะถือโกรธง่ายๆขัดใจอยู่บ่อยๆเพราะเหตุที่บางทีก็ อาจมีการกระทบกระทั่งกันบ้างจริงๆบางทีก็อาจเป็นเพราะความเห็นไม่ตรงกันหรือเอาแต่ใจของตนเองเมื่อได้เห็นการกระทำ ได้ฟังคำพูดของเพื่อนสัพรมจารีที่อยู่ด้วยกันอันไม่ตรงกับความชอบใจของตนก็มักจะถือโกรธขัดเคืองหรือบางทีก็มักจะมีนิสัยเพ่งโทษต่อผู้อื่น เห็นอะไรผิดหรือสงสัยว่าผิดก็มักจะโกรธแค้นขัดเคืองไม่ถูกใจหรือว่าบางทีก็เป็นเพราะความต้องการของตน ที่ไม่ได้สมตามความปรารถนาเกี่ยวแก่การแบ่งลาบแบ่งผลของสงที่บางทีก็ได้ไม่สม่ำเสมอกันหรือเกี่ยวแก่ที่อยู่อาศัย ที่ได้รับจัดให้อยู่ที่อาจจะเป็นที่สะดวกสบายบ้างไม่สู้จะสะดวกสบายบ้างดังนี้เป็นต้นก็ น, น้อยใจใจโกรธเป็นภูที่มักโกรธมักขัดใจดูเสมอเสมอ มีกังขาสงสัยในพระศาสดามีกังขาสงสัยในพระธรรมมีกังขาสงสัยในพระสงฆ์มีกังขาสงสัยในศิกขาและมักโกรธขัดใจ ในสพรมจารีทั้งหลายทั้งห้าขอ้อนี้หากเกิดขึ้นมีขึ้นในจิตใจก็เป็นเหมือนอย่างตะปูที่ตอกตรึงใจทำให้จิตใจ มีทุกข์ทให้จิตใจมีกิเลสหรือเจริญกิเลสกองราคะหรือโลภะบังกองโทสะบังกองโมหะบัง เป็นจิตใจที่ไม่มีเสรีในอันที่จะปฏิบัติกรรมฐานในการที่จะปฏิบัติธรรมะ เป็นต้นวัตถินสมาธิปัญญาให้เจริญเพราะมีทั้งข้าข้อนี้เป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้เกิด ความตั้งใจที่จะปฏิบัติกรรมฐานหรือปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาขัดขวางต่อศรัทธาขัดขวางต่อวิริยะความเพียร ต่อสติต่อสมาธิต่อปัญญาเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นตะปูที่ตรึงใจที่ตอกใจเอาไว้ไม่ให้ใจมีความสามารถที่จะปฏิบัติ ให้ดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้รู้จักว่าข้อเหล่านี้หากบังเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดจิตใจของผู้นั้นก็เหมือนยังมีตะปูที่ตอกปรึงอยู่ จึงให้ปฏิบัติละเสียถอนตะโปที่ตรึงใจนี้ออกเสียคือถอนกังขาสงสัยในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงค์ในศิกขาและดับความมักโกรธขัดใจ ที่บังเกิดขึ้นในสพรมจจารีทั้งหลายและเมื่อได้ถอนกังขาสงสัยและดับความโกรธขัดใจดังกล่าวได้ก็เป็นอันว่า อนตะปูใจออกได้เมื่อถอนตะปูใจออกได้จึงจะทำให้การปฏิบัติก ร, กรรมฐานหรือกล่าวรวมๆ ว, ว่าทำให้ศึกษาเล่าเรียนประธรรมโมบินยัยศึกษาปฏิบัติประธรรมโมบินยัย จเจริญก้าวหน้าขึ้นไปได้อีกหมดหนึ่งปรัชสอนให้รู้จักเจโตวินิพันธะคือเครื่องผูกพันใจอันได้แก่ ความติดใจความยินดีในกามความติดใจยินดีในกายความติดใจยินดีในรูปความที่ กินแล้วก็นอนและความปรารถนาต้องการเทวนิกายคือความที่จะไปเกิดในหมู่เทพ คือปรารถนาที่จะไปสวรรค์ตั้งห้าประการนี้ได้ชื่อว่าเจโตวินิพันธะคือเครื่องผูกพันใจเพราะเหตุว่า ผูกผันใจไว้ไม่ให้หลุดพ้นได้ให้ติดอยู่ในกามในกายในรูปในการเอาแต่กินนอนและติดอยู่ในสวรรค์ ว่ากำนัดยินดีอยู่ในกามนั่นก็คือติดใจยินดีหรือกำนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสผลพระที่น่ารักใคร่ประถนาพอใจทั้งหลาย ทำให้ใจติดอยู่ในกามไม่เป็นเนกขมมะคือออกไม่ได้